การออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นความนิยมความเห็นชอบความเห็นว่าดีงามของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วตามที่เรา ทั้งหลายได้ศึกษาเห็นา ร, ร์มเป็นมาต่างๆในครั้งแรกที่พระาศาสดาจัดสรู้แล้วได้เสด็จไปโปรดปรัญจวคีทั้งห้าการแสดงไปโปรดเสด็จไปโปรดนั้นก็เพื่อแสดงธรรมให้รู้ให้เห็นตามแนวทางที่เป็นจริง อันเป็นสิ่งที่มุ่งหมายของในชนในข้างนั้นคืออมตะธรรมได้แก่ธรรมที่พ้นจากความตายโดยที่เห็นกันว่าคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ออกบวทมากันในสมัยนั้นก็เพื่อแสวงหาอมตะธรรมให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย เมื่อพระองค์สัตรู้รู้ความจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นมาอย่างไรและวิธีการจะให้ถึงอมตะธรรมมิใช่วิธีการดำเนินอย่างของพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นคือซึ่งมีการถือกันด้วยอุบายต่างๆ โดยที่แท้จริงแล้วสรีระร่างกายที่เกิดมานี้เมื่อเกิดเมื่อมีความเกิดเป็นแดนต้นก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายต่อเมื่อไม่เกิดจึงจะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายแต่คำว่าไม่เกิดในพระพุทธศาสนากับของ พวกลัทธิพราหมณ์ในสมัยนั้นต่างกันคือความหมายของเขาในลัทธิหนึ่งที่ว่าคนเกิดมาแล้วตายไปก็ศูนหมายความว่าไม่เกิดอีกเพราะผู้ที่บัญญัติคำสอนนั้นชี้แจงคำสอนสั่งสอนนั้นไม่รู้จริงคือไม่สามารถจะติดตาม จะตูปปาทยานคือไม่มีญาณในข้อนี้ให้รู้เห็นตามความจริงได้เมื่อเห็นคนตายแล้วก็หมดไปไม่เคยมีใครเกิดมาชื่อนั้นอีกอย่างนี้อีกหรือมาเรียกร้องว่าตนเองคือคนนั้นคนนี้จึงเข้าใจว่าศูนย์คำสอนรัฐที่นี้ จึงขาดยานดังได้กล่าวมาแล้วจึงไม่ใช่ของจริงส่วนในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสามพุริจ้าปรากฏชัดวันที่จะตัดรู้ในยามต้นทรงได้บรรลุ ป, ปุปเพนิวาสานุสติยานรู้ระลึกชาติได้ในปางก่อนๆตั้งแต่ใกล้ไปจนไกลจนรู้ตามความเปนจริงว่า สัตว์ทั้งหลายในชาติปางก่อนชาติโ น, นชาตินี้ตายไปแล้วไปเป็นอะไรศูนย์จริงหรือไม่หรือบางลทัทธิบางพวกที่ว่าเกิดเป็นคนตายแล้วก็ต้องเกิดมาใหม่ก็ต้องเป็นคนไม่มีตกต่าไปฝ่านี้เป็นต้นความเป็นจริงเหล่านั้นจริงหรือไม่พระองค์ก็ทราบด้วยยานนี้และ ทราบตอไปตามความเป็จริงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทํากรรมดีกรรมชั่วคติพบทั้งหลายที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดโดยใจความย่อๆก็คือแบ่งเป็นสองพวกรายสุขติพวกหนึ่งฝ่ายทุกติพวกหนึ่งคนทําดีก็ไปเกิดในฝ่ายทุกติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ และเมื่อได้มนุสมบัติแล้วอาจทำถึงซึ่งนิพพานสมบัติส่วนผู้ที่กระทำความชั่วก็ไปสู่อาบายภูมิได้แต่ทุกขติวินิบาตคือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอีกสามอย่างคือพบของนรกของเปรตของอสุรกาย เราก็ไม่สามารถเห็นกันด้วยตาแต่ทุกขติในสัตว์นรกในสัตว์ลรขิฉานไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่มีช้างม้าโคกระบือหรือในน้ำมีปลาต่างๆมีปลาวานปลาฉลามปลาโลมาซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ๆในอากาศมีนกใหญ่ๆเป็นต้นก็ดีเราก็สามารถรู้ได้สามารถมองเห็นได้ และสัตว์เล็กๆยิ่งไปฝ่านี้อยู่ในน้ำอยู่ใต้ใต้ดินเป็นต้นก็สามารถจะรู้ได้และเล็กไปฝ่านั้นอีกมนุษย์มีความฉลาดก็ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้มีกล้องต่างๆเป็นต้เ น, ตนเพื่อไว้ดูความเป็นไปเี่นเช่นเชื้อโลกต่างๆ เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดมาแล้วในส่วนที่มองไม่เห็นเราก็พิสูจน์ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นบ้างในส่วนที่ไม่สามารถจะอยู่ในข่ายของเครื่องมือเครื่องใช้มีกล้องจุลทรัศน์เป็นต้นถึงจะมีความละเอียดความถี่เพียงใดไม่สามารถเห็นสันพระสัตว์ อีกพวกหนึ่งซึ่งมีเป็นจริงอยู่ในแกนรกเปรตอสุรกายแต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งสามารถที่จะเห็นพวกเหล่านี้ได้ได้แก่ผู้ที่บรรลุจตูปปญยานหรือผู้ที่ได้สมาธิอย่างแก่กล้าได้ฌานได้สมาบัตรที่แก่กล้า แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ลึกซึ้งเหมือนกับผู้ที่ได้ยานคือจตุปปัจจยานจึงไม่สามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกได้ไม่เหมือนผู้ที่บรรลุจตุปปัจจยานเพราะฉะนั้นสัตว์บางประเภทจึงไม่ปรากฏอยู่กับสายตาของคนในปัจจุบันของของมนุษย์ของสามั ญ, ญชน จะเกิดอยู่กับผู้ที่ได้ยานดังในกามาแล้วตามที่เราได้ศึกษามาแล้วที่พระโมคคัลลานะลงจะเขาคิดสะูดและทำอาการยิ้มแย้มที่ได้เห็นสัตว์นรกสัตว์เปรตต่างๆมีอาการต่างๆกัน สัตว์เหล่านั้นที่ท่านพระโมคคลลาพูดที่ท่านพระโมคคลลานะกล่าวกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระเวรุวันในวันนั้นท่านไม่ได้พูดถึงสัตว์นรกอยู่ในขุมใต้ดินหรืออย่างหนึ่งอย่างใดว่าสัตว์บางพวกลอยอยู่ในเวหา ก็หมายว่ารอยอยู่ในเวหาบางพวกไม่มีผิวหนังเลยเหลือแต่ซี่โครงร้องขําควรวนอิดโรยด้วยประการาต่างๆสาเหตุก็คือสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อเป็นมนุษย์อยู่เป็นชู้สามีภรรยาซึ่งกันและกันก็ได้ทนทุกข์ทรมานต่อพบต่อชาติที่ไร้ผิวหนัง สัตว์บางพวกที่ฆ่าสัตว์มีขนเป็นหักเป็นหอเป็นดาบแล้วขนนั้นก็หลุดขึ้นไปบนอากาศตกลงมาทิ่มแทงร่างกายนั้นร้องโอดครวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าชาติแล้วชาติเล่าเป็นอยู่อย่างนี้จนฝ่าจะพ้นกรรมนั้น ที่พระโมคคลานะเล่าต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่สิบเอ็ดชนิดในบรรดาเปรดทั้งปวงในพระสู่แสดงว่ายี่สิบเอ็ดชนิดด้วยกันด้วยอาการต่างๆนานาประการท่านเห็นแล้วที่ท่านยิ้มแย้มนั้นไม่ใช่ว่ายินดีต่อพวกเหล่านั้นแต่ ท่านมารู้สึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้รู้จริงและท่านก็มีความยินดีในที่ท่านพ้นแล้วจากอาสวะกิเลสมีญาณอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงของสัตว์พวกเหล่านี้จริงได้มีอาการเพียงยิ้มแย้มเกิดขึ้นจนลุกสิตคือมันไม่ใช่ลุกสิต พระที่ตามไปด้วยชื่อว่าพระลัคนาความจริงพระลัคนานี้ท่านเกิดในสกุลหนึ่งเป็นผู้ที่มีรูปร่างสะสวยงามมากใครๆเห็นทอบบุคลิกท่าทางหน้าตาของท่านจึงเรียกว่าพระลัคนาท่านบวชก่อนพระโมคคัลลานะท่านบวชอยู่ในกลุ่มชดินพันองค์ เคยเป็นกลุ่มเคยเป็นอุสิ์ของพวกชาดินและได้บรรลุธรรมในสมัยเมื่อพระาศาสดาสแสดงอาทิตยปริยายสูตรแต่ได้ติดตามพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะบวชทีหลังฝ่าแต่มีคุณธรรมสูงมีอะไรแปลกๆจนพระลัคนาในเรื่อมใสก็ไปไหนมาไหนก็ติดตามพระโมคคัลลานะอยู่บ่อยๆ ในวันนั้นจึงเห็นอาการของพระโมคคัลลานะขึ้นถามพระโมคคัลลานะว่าท่านยิ้แย้มอะไรพระโมคคัลลานะก็บอกว่าอรอถึงพระพุทธเจ้าเทปก่อนจะบอกพอถึงพระพุทธเจ้าแลยพระโมคคัลลานะก็เล่าเรื่องเปรตต่างๆให้ฟังพระองค์ก็ทรงตัดรับรองว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงเราได้รู้เห็นแล้วแต่เราไม่พูดเพราะถ้าเราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อ เมื่อไม่เชื่อก็จะไม่มีประโยชน์จะยังทุกข์อันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในเรื่องลี้ลับเหล่านี้ผู้ที่มีญาณอย่างรู้ที่ได้รู้ได้เห็นตามความจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดนิพพทาความหนาย ไม่หลงไม่ยินดีและรู้เห็นตามความจริงว่ากรรมอันนี้ทำขึ้นแล้วให้ผลเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะหนีกรรมเหล่านี้ไปได้เมื่อทำกรรมอันใดแล้วเพราะเหตุ น, นั้นเองบูราณบัณฑิตของเราปู่ย่าตายายของเราในประเทศไทยจึงมักจะสอนลูกหลานให้กลัวบาป การที่ท่านสอนให้ลูกหลานกลัวบาปนั้นฟามจริงท่านรู้เรื่องราวมาตลอดแต่ท่านไม่มีวาทะศิล์ในการสั่งสอนบุตรหลานของตนได้ฟัางฝางโดยพิศดากรกล่าวใจเพียงว่าทำอย่างนั้นไม่ดีเป็นบาปบาปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพียงสอนเท่านี้ คนสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนทำอะไรพอผู้ใหญ่บอกว่าอย่าทำสิ่งเหล่านี้เป็นบาปเขาก็กลัวกันไม่กล้าทำบาปเมื่อไม่กล้าทำบาปก็อยู่ในครองธรรมครองธรรมก็คือประเพณีที่ดีงามประเพณีที่ดีได้ที่ดีดีงามก็คือสีลห้าการไม่เบียดเบียนกันด้วยการรังแกข่มเหงฆ่าฟันไม่ลักขโมยไม่แย่งชิงไม่หลอกลวง ไม่ประพูดร่วงชายหญิงในครอบครัวของเขาพูดอะไรก็พูดตอบตามฟามเป็นจริงไม่หลงมัวเมาติดพัวพันอยู่ในเรื่องเครื่องดองของเมาภาวะห้าประการนี้เป็นที่งดเว้นอย่างเด็ดขาดของชนในยุคนั้นพึงเห็นพวกสากระยะเป็นตัวอย่างถือศีลห้าทั้งเมือง แม่วิทูะภะกุมารแห่งสาวัตถียกกองทัพไปเขามีกำลังที่จะสู้ได้มีอาวุธที่จะสู้ได้มีฝีมือในทางที่จะสู้ได้แต่เขาไม่ทำเขากลัวศีลขาดเขายอมตายดีฝาพวกทหารวิธูะภะกุมารก็ฆ่าเอาอย่างด้วยความย่ามใจ แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือบาปหนักที่สุดคือฆ่าผู้ที่มีศีลถ้าฆ่าผู้ที่ไม่ต่อสู้ผู้ที่ไม่ทําร้ายตอบที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทําร้ายเขาเขาไม่ได้ทำร้ายตอบไปทําร้ายเขาบาปมากบาปหนักด่าว่าเขาเขาไม่ได้ด่าว่าตอบหรือด่าว่าต่อบุคคลที่มีควรด่าว่าเป็นบาปหนักพระองค์สอนไว้อย่างนี้ ก็จริงๆอย่างเช่นนั้นวิฑูธพะยกทัพกลับยังไม่ถึงพระนครแต่พักที่ิริมแม่น้ำโรฮินีในคืนนั้นฟ้าฝนพลมมาเป็นการใหญ่น้ำเกิดท่วมล้นเอิมลงแม่น้ำทหารวิฑูธพะพร้อมด้วยวิฑูธรมะก็ลงแม่น้ำตายหมดเพราะฆ่าคนที่ไม่ทำร้ายตอบฆ่าคนที่มีศีลมีธรรม รวมาร์มว่า <c oughs> การบวชในพระพุทธศาสนาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอบรมจิตแท้ที่จริงคารบวชนี้ก็คือเน่ขัมมะได้แก่การออกบวชจิตของบุคคลที่ต้องการออกบวชนั้นก็ปรารถนาที่จะให้พ้นจากอกุศลวิตก ในแก่กามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรือราคะโรภะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้ถึงจะแยกเชื่อต่างกันแต่ก็เป็นตระกูลเดียวกันย่อมย้อมจิตใจของบุคคลให้มัวเมารุ่มหลงด้วยประการต่างๆบวชแล้วต้องรักษาศีลเพื่อไม่ให้แตะต้อง กายของผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดกามาคุณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นจึงมีพระบัญญัติถ้าพิจุจับล้องกายหญิงก็เป็นสังคาริเสดด้วยฟามกาหนัดจับต้องกายด้วยชายด้วยฟามกาหนัดก็เป็นทุกกฎ ถ้าก็เทยก็เป็นถุนและใจถ้าสัตว์ดิบและชานทั่วไปตัวเมียก็เป็นอาบัติผูกฏจึงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เกิดสัมผัสอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการกระทบถึงจิตใจได้แก่อารมณ์อันให้นึกถึงความใคร่ความอยากได้ความยินดีในอารมณ์นั้นจิตที่ความยินดีต่อกามาคุณกับการบวชคือนเน่ฆัมมะ หรือบรรพชาอุปสมบทนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างแรงกล้าอย่างสูงสุดเพราะผู้บวชนั้นต้องชำระใจของตนเองให้เบาบางและหมดไปพย า, า, า, าพยามฆ่าราคะให้หมดพยายามฆ่าโลภะให้หมดพยายามฆ่าโทสะให้หมดพยายามฆ่าโมหะให้หมด ตลอดจนหัวหน้าใหญ่ของราคะโลภโทสะโมหะคืออวิชชาเนี่แก่ความเข่าความไม่รู้ความเข่าความไม่รู้นั้นที่เราแปลว่าไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมกักหรือไม่รู้มักแปดไม่ใช่เพียงเท่านั้นความไม่รู้เรื่องเหล่านั้นความไม่รู้ในสิ่งทั้งปวงรวมลงเรียกว่าไม่รู้ในอริยมกัก พรอฟาร์มไม่รู้ของเราถ้าถามว่าพรอฟาร์มไม่รู้ของเรายังมีอยู่นั่นนีคืออวิชชาถ้าถามเราในเวลาขณะนี้ว่าจิตของเรายังมีกิเลสไหมเราก็อาจตอบได้ว่ามีกิเลสหมายความว่ายังรู้ข้อนี้ยังรู้ถามว่ากิเลสเหล่านั้นคืออะไร เราก็อาจตอบได้เพราะเราเรียนคือราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาเหล่านี้ถามว่ากิเลสเหล่านั้นอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนตรงไหนเราก็จะอาจจะบอกได้เพียงว่าอยู่ในใจแต่อยู่ตรงไหนของใจเคยเห็นกิเลสราคะโลภะโทสะโมหะในใจอยู่ตรงไหนหรือไม่ มันนั่งมันนอนมันยืนมันลุกขึ้นมันสั่งมันมัญชาการในลักษณะอย่างไรรู้ไหมไม่รู้นี่แหละคืออวิชชาในนี่คืออวิชชาเมื่อไม่รู้ในลักษณะของมันที่มันสั่งมันมันบงการเราก็ทำลายมันไม่ได้ทั้งๆที่เรามีอาวุธอยู่คือศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่สามารถจะใช้อาวุธของเราประหารประหารมันได้ อย่างมากาก็เพียงกดเพียงข่มความรู้สึกไว้เท่านั้นเองเหมือนกับว่าศัตรูเขาจะโกนท้าทายมาให้เราออกรบเราได้ยินแต่เราก็กดใจข่มใจไว้ไม่ออกรบเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถจะทำลายศัตรูได้ศัตรูไม่สามารถจะหมดไปได้ฉันใด ความไม่รู้ของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าเราไม่รู้อย่างนี้ความไม่รู้ของเราอีกมากมายทีเดียวเราบวชอยู่นี้เกิดปุ๊บปั๊บตายในวันนี้ถามว่าไปเกิดที่ไหนไม่รู้เพราะเรายังไม่มียานยังไมมีความอย่างรู้อ่าเพราะฉะนั้นเมื่อความไม่รู้ยังมีอยู่มากมายแก่เรา แสดงว่าอาวิชาคือความเขาที่เราไม่รู้นี่ยังมีมากมายเหลือเกินพึงต้องพยายามขยันหมั่นเพียรอดทนบากบัน่นการที่จะคำจัดฟางไม่รู้นั้นไม่มีโอกาสใดดีดเท่ากับการบวชถ้าโอกาสอื่นดีกว่าการบวชแล้วพระองค์คงไม่ออกจากพระราชวัง คงแสวงหาธรรมในพระราชวังนั้นได้แต่เพราะพระองค์เห็นแล้วว่าไม่สามารถจะแสวงหาความ ร, รู้ให้กระจัดความไม่รู้หรือความแก้ความแก่ความเจ็บความตายในพระราชวังนี้ได้เลยมีแต่อารมณ์การมวิตกให้ตรึกให้ตรองให้ยินดีและการมวิตกนี้เป็นอกุศลที่ร้ายกาจเพราะไม่ใช่ให้ทุกข์ มีมีคุณให้ด้วยมีคานมน้าชื่นชมยินดีให้ด้วยฝากไว้เป็นพวงมาลัยของใจด้วยเพราะฉะนั้นคนเราจึงหลงหลงในอารมณ์นี้เสียเป็นส่วนมากผู้ที่จะยินดีในความวิเวกจึงหายากการบวชเป็นการแสวงหาความวิเวกคือกายสงบ จิตสงบกิเลสสงบกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกกามาวิตกจึงเป็นกิเลสอย่างร้ายกาดพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนที่ใดยกข้อนี้ไว้เป็นข้อแรกและกามาวิตกนี้มีทั้งหยาบทั้งอย่างกลางและอย่างละเอียด อย่างยากก็คือทำให้เกิดความทะเยอทะยานแสดงออกทางกายทางวาจาอย่างกลางก็คุ้นคิดอยู่ในทางจิตใจอย่างละเอียดก็คือซ่องสมอยู่ในจิตใจเหมือนไม่มีกิเลสแต่เมื่อเห็นความทันผัดพายนอกเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นมาอุดหนุนทำให้เป็นรูปการมาราคะสมบูรณ์แบบขึ้น กามราคะหรือราคะนี้ถึงแม้กามฉันจะละด้วยสมาธิเป็นแต่เพียงกดไว้ข่มไว้ทับไว้ตอกไว้ผูกไว้พอเชื่อที่ผูกหลุดมันก็เกิดขึ้นมาอีกพอสิ่งที่กดไว้เปิดขึ้นหลุดขึ้นมันก็ลุกขึ้นมาได้อีกเหล่านี้เป็นต้นมีอาการข่มเพียงเท่านี้เองเหมือนกับว่าแม่ลูกอ่อน อาบน้ำอาผ้าให้ลูกอ่อนแล้วลงเปย์แฝงไฟเหกล่อมให้ลูกหลับหลับแล้วก็ไปทำอะไรได้ชั่วขณะหนึ่งอย่างสบายๆไม่ช้าไม่นานลูกก็จะตื่นขึ้นแล้วร้องอีกสมาธิก็เหมือนกันบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว เมื่อมั่นคงเมื่อคล่องแคล่วพึงใช้สมาธิจิตให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงว่าตรีระร่างกานี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาพิจารณาบ่อยๆให้มากๆพิจารณาวันนี้แล้วยังไม่บรรุมรรคผลยังไม่เห็นชัดยังไม่เห็นแจ้ง เมื่อคลายจากพิจารณาแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นอีกเหมือนลูกอ่อนเกิดเหมือนลูกอ่อนเก e ิดเอ่นข er. ึ้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสบ่อยๆให้มากๆพยายามชำระจิตให้มากๆระวังจิตอย่าให้เกิดความรักระวังจิตอย่าให้เกิดความคล่องในในความกามคุณอย่าระวางจิตอย่าให้เกิดความใคร่อย่าระวางจิตอย่าให้เกิดวกความพั ว, ว, ว, วพันพ ระวังอารมณ์ของความใคร่ความรักเหล่านั้นย้ายผูกพันกับทางด้านจิตใจโดยต้องพิจารณากรรมฐานตรงกันข้ามคืออาุพะกรรมฐานหรือกายคาตาสติหรือมรณสติไว้เป็นเครื่องผูกพันทางด้านจิตใจให้มากๆเพื่อกลับรูปความต่างๆของจิตที่เคยเย็นดีอยู่ในกามารมณ์ให้หยุดเมื่อหยุดแล้วให้มองดูอาุพะ ให้มองดูกายคตาสติให้มองดูรมรณสติให้มากๆให้เห็นตามความจริงเพราะกรรมฐานแบบนั้นเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องทําลายกามราคะค่อยๆขัดค่อยๆถูค่อยๆปัดค่อยๆฝาดค่อยๆทําลายจนเกิดควารมรู้แจ้งเห็นจริงคือเมื่อระงับสงบสิ่งเหล่านั้นได้จิตสงบเป็นสมาธิ เกิดความผองแพ้วในจิตใจขึ้นปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นคู่กับสมาธิก็จะทำให้พลังปัญญาสูงขึ้นเมื่อพลังของปัญญาสูงขึ้นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีการมาคุณเป็นต้นเป็นเป็นแต่เพียงอารมณ์ ที่ทำให้มีความใคร่มีความประหนัดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายไปไม่ใช่เป็นของเที่ยงถ้าขืนพัวพันอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ไม่พ้นจากทุกข์คือไม่พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดราคะเหมือนยางชนิดหนึ่งของผลไม้ของต้นไม้ต้นไม้ใช่มียางมีเชื้ออยู่ไปเพาะมันก็จะเกิด กามาราคะมีอยู่ในจิตจิตยังมีเชื้อมีอยางก็จะเกิดความเวียนว่ายตายเกิดไม่มีหมดไม่มีเต้นท่านจึงกล่าวว่าถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่ถึงการก้าวล่วงทุกข์เสียได้ไม่เห็นทางมักมีองแปดถึงปฏิปปบัติเพื่อความระงับทุกข์ดับทุกข์แล้วไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ได้ ไม่สามารถจะพ้นจากทุกทุกคือคว า, ามแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดมาแล้วให้พ้นต่อต่อการเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนด้วยประการต่างๆก็เป็น cunning. ทุกข์และนานวันไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปแก่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างคือโรคภัยไข้เจ็บก็จะเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ โรคภัไยไข้เจ็บเกิดขึ้นความเจ็บนู่นปวดนี่ผู้พลราชาก็เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยกันกับผลูกหลานมาตั้งนานจะต้องตายจากการก็อะไราอววรก็เป็นทุกข์ทุกข์เหล่านี้ตายไปแล้วไม่ใช่หมดแล้วเกิดอีกก็พบศพสบิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นทุกข์อย่างนี้อีกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เหมือนล้อเฟีย ที่หมุนไปแล้วก็กลับคืนขึ้นมาแล้วก็หมุนไปอีกตามอีกทับร้อยโคทับลอยโคตลอดไปฉันใดความเวียนว่ายตายเกิดของจิตที่มีกิเลสมีการมาลาคะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันฉั้นนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะชำระกิเลสดังนี้ก็คือบวชไม่มีโอกาสไหนที่จะประณีตและสะดวกเท่ากับการบวช และเมื่อการบวชนี้ก็มีศาสนาสอนคือพุทธศาสนาได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักไว้อย่างคมชัดหรือชัดเจนว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขจัดกิเลสศีลเป็นการจัดกิเลสขจัดกิเลสอย่างหยาบทางกายทางวาจาสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางและปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดพร้อมด้วยบอกวิธีการปฏิบัต ศีนมีสิขาหมดที่ต้องรักษาอย่างนั้นถ้ารักษาตามคลองศีนดีแล้วความผิดพลาดเสียหายหรือแนวโน้มที่จะอิงไปทางกิเลสไม่มีแต่ยังไม่พ้นเพราะจิตใจไม่ได้ห้ามจึงต้องอาศัยการเรียนสมาธิและฝึกสมาธิจิตของบุคคลที่กังวลอยู่กับวิตกอกูสอนวิตกโดยปกติจะมีการเป็นอารมณ์ มีพยาบาทเป็นอารมณ์มีความสนุกวิหิงสาเป็นอารมณ์ผูกพันอยู่กับอารมณ์เช่นนั้นเมื่อได้ฝึกสมาธิมีสมาธิเป็นอารมณ์ตัดอากูสลวิตตกเหล่านั้นได้เปลี่ยนสภาพของจิตให้มีสมาธิเป็นอารมณ์จิตก็พองแผ้วเมื่อจิตพองแผ้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงได้เกิดปัญญาขึ้นเพราะเห็นอย่าง แจ่มแจ้งอย่างแท้จริงจริงเกิดปัญญาขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็รู้เห็นตามความจริงว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกมาอย่างนี้เองและจะทำให้ทุกขเกิดต่อไปผลทางที่จะทำให้ไม่ให้เกิดทกุก็คือต้องตัดอันนี้ตัดอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นเมื่อปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นแล้ว ก็จะดับกิเลสดับทุกข์ดังได้กล่าวมาการบวชในพระศาสนาจึงจะถึงซึ่งผลที่มุ่งหมายแห่งการบวชคือการพ้นทุกข์ด้แก่จิตพ้นจากอาสวะทั้งปวงไม่เวียนว่ายตายเกิดในภพ อ, อื่นอีกต่อๆไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายดังที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในหลายๆสูตรที่ว่า นิ บ, บินนางวิรัชชติเมื่อเบื่อหน่ายย่องคลายความติดเมื่อคลายความปิดจิตย่องหลุดพ้นเวลาคาวิมุตติราคะก็หมดแล้วถึงซึ่งความพ้นจากราคะถึงซึ่งการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปความไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหมายเอาโลกียะ คือโลกที่มีราคะโทสะโมหะไปสู่สภาพของธาตุของธรรมธาตุที่ไม่มีราคะโทสะโมหะหมายถึงซึ่งที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดได้แก่นิพพานเพราะฉะนั้นลาบวชอยู่ในพระาศาสนานิพพานแปลว่าดับอย่านึกว่าเป็นธรรมที่ยาก เราดับได้ชั่วขณะก็เป็นตตดทางคะนิพานเราดับกิเลสโดยการข่มไว้ก็เป็นคณนิกะนิพานก็เป็นวิขัมภนะนิพานและทำนิพานเล็กๆเหล่านี้ให้ชำนานขึ้นจนถึงได้นิพานใหญ่ตัดกิเลสออกบางส่วน ให้หมดไปจนศูนย์สิ้นไปก็จะถึงนิพพานใหญ่คือนิพพานโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความพน้นจากกิเลส ช, ชั่วขณะชั่วครู่ชั่วพักหรือพน้นในฐานะเป็นปุจจุชนคือรู้ดีรู้ชั่วไม่ทำทุจริตประกอบสุจริตนี่สามารถทำได้ถ้ามนุษย์นายเกิดมาแล้วไม่สามารถทำได้ดีชั่วดังกล่าวมาแล้วนี้ก็มีหวัง กลับบ้านเก่าคืออบายภูมิเพราะฉะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาพึงต้องพยายามฝึกฝนศีลสมาธิปัญญาให้มากๆให้สมบูรณ์และความเป็นผู้ที่ฝึกฝนศีลสมาธิปัญญาด้วยดีแล้วย่อมเป็นคุณแก่การบวชในพระศาสนานี้เป็นอันมากพระศาสนาที่จะเจริญสืบต่อไปมากไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่เพราะมีพระเนนมากต้องมีพระเนนมีคุณภาพคือมีศีลมีสมาธิที่สมบูรณ์ญาติโยมที่มีศรัทธาภะษาทะโปรดมีเมตตาใส่บาตรในตอนพระออกไ ป, ปโปรดให้ข้าวปาอาหารด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนเองมาใส่บาตรให้มาขบมาฉันมีชีวิตอยู่นี้ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยคุณภาพ คือมีศีลมีสมาธิปัญญาอย่านั่งอย่านอนอมกิเลสอมราคะโทสะพอสว่างขึ้นไปแล้วก็ไปโปรดเขาไปปินทบาตเขาเขาก็ใส่มาให้กับคนที่อุดมด้วยราคะโทสะโมห oh ะบุญไม่มากบุญน้อยเหลือเกินบุญคับแคบมากบุญไม่กระจ่างบุญที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นไม่น่าติดใจไม่เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส พึงให้บุญที่เกิดขึ้นด้วยการภาคเพียรพยายามแม้ยังไม่หมดไม่เป็นไรแต่จิตที่ฝักใฝ่อยู่กับความสงบจิตที่ฝากใฝ่อยู่ในศีลสมาธิปัญญาจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่อันสมบูรณ์อันจะเป็นบอ่อเกิดแห่งศรัทธาภาษาธะเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิเพื่อฝึกฝนจิตให้ประณีตให้ประงบให้สงบ อันจะเป็นบอ่อเกิดของคุณคือปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเป็นทางที่องค์สมเด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทรงสอนไว้พึงตั้งใจปฏิบัติฝึกผลอบรมกันต่อไป